นางพะเพียพันะแล้วก็เอามือขวาหายทับมือซ้ายวางไว้บนตักเฮาพันละกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเฮาเกิดเป็นคนแล้วถือว่าโชคดีโชคดีจังไหนตีถือว่าเฮาอยากมี ยอยกศรัทธาอยากเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเราก็เห็นได้ใจเรานั่นศรัทธาในพระพุทธเจ้าศรัทธาในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าศรัทธาในพระสงฆ์คือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้านี้ก็เป็นโชคลาภอันยิ่งใหญ่ของเรา เพราว่ากิจโสมนุษบาติลาโภการสิได้มาเกิดเป็นคนนี้เป็นได้โดยยากแท้ๆมวลนวสิไดไง่งายๆบ่เป็นง่ายบ่เป็นของง่ายที่สิได้มามีสถานเลื่อมใสและได้ฟังทำได้ปฏิบัติธรรมในสำนักของครูบาอาจารย์นี้เป็นของได้ยากอยู่บ่เป็นอาหารได้ไง่ายๆ เพราะฉะนั้นเฮามาเกิดแล้วนิ้วกับพร้อมทุกอย่างศรัทธาเฮาก็มีพระพุทธศาสนาก็มีความปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของเฮาก็เกิดขึ้นตามลำดับเฮาตั้งใจปฏิบัติตามคำสอนของคุูทเจ้านี้เป็นโชคลาภอันมหาศาลสามารถที่จะทำให้เหล่านี้มีความสงบทางใจ เกิดขึ้นมาได้ถ้าเอาทำคําคสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติแล้วมันดีทุกอย่างแหละครอบครัวก็ดีในก็ดีดีไหมคําสอนของพระพุทธเจ้าก็มีอยู่ถ้าเฮาเอามาปฏิบัติบอกเอามาใส้ในครอบครัวเหียนสารมันก็ไม่เจริญแต่ถ้าเอามาใส้มันก็เจริญการปฏิบัติในชีวิตจิตใจของเฮานี่ ก, อก็อีกส่วนหนึ่ง แต่เขาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าคือเขามาหัดนั่งสมาธินี้ก็ส่วนหนึ่งละอันนี้เป็นการเข้าถึงพระพุทธศาสนาอย่างเต็มที่คือเข้าถึงมรรคถึงผลถึงความเป็นพาลียบุคคลเป็นพราละหัดอลหันหรือว่าความเป็นพราละหัน์นี่ยังบทันสิ้นจากโลกนี้หรอกยังบวชเหมือจากโลกนี้ พระอรหันต์มีอยู่ยังมีอยู่ผู้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ยังมีอยู่เพราะว่าปฏิบัติตามมักมีองค์แปดเอาทําตามมักมีองค์แปดแล้วก็เข้าถึงได้เข้าถึงความเป็นพระอรหันต์ได้ ความเป็นโซดาบันความเป็นพระสกิทาขาความเป็นภาณาขาความเป็นภารหันตามลำดับชั้นอันนี้เฮาสามารถทำได้จันได้ขอจังสันเถิพระพุทธเจ้าคำสอนของเฮาตถาคตนี้ยังอยู่การปฏิบัติตามคำสอนของพพุทธเจ้ายัางมีอยู่ ผู้ปฏิบัติตามคําสอนมีอยู่โลกนี้จะบาว่างจากความละหัน์เลยโลกที่เราอยู่เนี่ยบาว่างบาว่างจากความละหัน์ยังมีพระมลหันอยู่ถ้าปฏิบัติตามคําสอนของพรุทธเจ้าที่เรียกว่าอริยมรรคมีองค์แปดนั้นเพราะฉะนั้นที่เราทําอยู่เดี๋ยวนี้ก็ทําตามอริยมรรคมีองค์แปดนั่นละ่ะ เอาธรรมะทำวาสวดมนต์ไร้พรอแมนมุมดทำตำ า, ามอริยวัคมียลแปดมดเอาให้คักทแท้ก็คือให้ใจเราสงบนี่แห้งคักหลายอันนี้ถือแท้อันนี้เฮาก็สิได้เห็นความสุขเย็นเกิดขึ้นในใจของเราใจของเราสิร้อดในก็สร้างร้อนโดยไฟราคะร้อนโดยไฟโทสะร้อนโดยไฟโมหะ ก็ตามแต่ใจเฮาก็ยังเที่ยงมั่นอยู่พอเฮาเฮ็ดสมาธิเป็นแล้วเฮาก็เอาจิตของเฮานั้นไปอยู่ในความสงบไปตั้งอยู่ในความสงบคือกำหนดลมหายใจเข้าออกทันทีถ้ากระทบอารมณ์ใดก็ตาม คือความเครียดความโกรธความโลภความหลงอันไหนก็สรา้างเวลามันเกิดขึ้นในใจเฮาเฮาโบยู่เด้อหายใจในเฮาซีอยู่หรือเปล่านี้เฮาก็เอาไปเบื้องลมหายใจตัวเอาไปเบื้องลมหายใจพอไปเบื้งลมหายใจความโมโหโทโซอีอย่างต่างต่างท่านมันหายไปเลยเจา้าก็มันไปไสมันมีแต่ใจเฮานิ่งอยู่สื่อสบายอยู่สื่อ กระทบอารมณ์แล้วกบววุ่นนี้วุนวรายเป็นความสงบสบายเยือกเย็นเกิดขึ้นในใจของเฮาแหละเรื่องพอโกรธมันก็บอโกรธเรื่องพอโลบมันก็บอโลบเรื่องพอหลงมันก็บอหลงมันบอกมีโลบมีโกรธมีห ล, ลงเกิดขึ้นเลยสิดาว่าตัวเถียงกันโต้เถียงกันนั่นนี่มันก็บอกมีที่มันบอกมีนั่นก็เนื่องจากว่ามันเข้าถึงความสงบแท้จริง คือถึงมรรคถึงผลถึงความเป็นพร า, า, า, น า, า, รารีบุคคลโสดาสกิทา่านาคารหันมันเข้าถึงจิตเาเข้าถึงธรรมของพระเทเจ้าแล้วมีธรรมของพระเจ้าอยู่ในใจแล้วมันที่สบายที่สดมันที่เย็นภายในเนะี่เย็นใจอยู่สั้นใจห่อนสวา่างใจห้อนีด้เป็นสุข ทำให้เขาใจเอาเอาใจของเข้าไว้ที่ลมหายใจแล้วใจเข้าสิสงบเย็นลงมาลดสบายลงไปเลยจิตเย็นใจสบายใจสงบเยือกเย็นภายในมีสุขมีสุขแต่เข้าปฏิบัติตามแล้วมีสุขอีลีบ่กมันมีสุขน้อยๆเดี๋ยมันมีสุขประคพบประคอาดได้ตายจากซาดี้แล้วยังได้ไปซื้ สวยรุขในสวรรค์อีกสวยรุขในสวรรค์มาเกิดเป็นมนุษย์อย่างหลายที่สุดเกียติซาดเกินคนนั้นบม่มีได้มาเกิดเป็นมนุษย์เกียติานี่คือเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกิทาขามีมาเกิดซาดเดียว แต่พระโสดาบันมีสามประเภทีปประเภทที่1นเกิดเจ็ดชาติประเภทที่สองเกิดสองสามชาติประเภทที่สามเกิดชาติเดียวก็ได้บรรลุเป็นพระละหันเป็นพระสกิทาคาเกิดชาติเดียวเท่านั้นเกิดเป็นมนุษย์ชาติเดียวแล้วก็ได้สําเลจเป็นพระลรหันส่วนพระอนาคามี พม่าเกิดในโลกมนุษย์นี้อีกไปอยู่พม่าโลกสุทาวาสพมมาโลกสุทาว า, มมากสาวาก็คือ อ, อวิหาอาตปาป า, า, าสุทัศสุทัศสีกนิถาอันนี้ห้าชั้นเป็นที่อยู่ของพมที่ได้ปฏิบัติธรรมในมนุษย์แล้วได้เป็นพระนาคามี ไปอยู่พรมห้าสั้นนี้สั้นใหนสั้นหนึ่งแล้วก็ได้สําเร็จอรหันอยู่ในพมนั้นแ่ะพอเป็นพระอรหัน์แล้วก็อยู่จนสิ้นอายุพมจึงจุติไปเข้ า, น, านิพพานจึงไปอยู่ในนิพพานแลประกับลงมาเกิดอีกเลยส่วนพระอรหันนั้นตายแล้วตายจากมนุษย์นี้แล้วอยู่พรมได เข้าเป็นพา阿ราหันในเราเรียกว่าโลกุตระภูมิก็ได้พ้นจากภูมเหล่านี้ทั้งหมดเข้าไปสู่ความเป็นพา阿拉หันนี่แหละเขาเหตุจังซี่แหละมันนึงคอยเป็นคอยไปของมันดอกได้สั้นไดก็เอาขอให้มันได้ถ้ามันบาได้มันก็ยังท่องเที่ยวเวย็นว่ายตายเกิด พอรู้จักจบจากสิ้นนะันเฮาเฮต์บอทบอถึงน่ะบอได้นะเฮาเฮต์ดีไว้เฮาเขาปล่อยเสวยสุขในสวรรค์เสวยสุขในภพมรโลกที่บมุมคลสุดท้าวานอืนมภพมรโลกอีกกรเภทกลางหาบคือลงมาเกิดได้อยู่แต่ว่ามาเกิดแล้วแกเก็บตายตายไปแล้วก็ตกนรกก็มีไปสวรรค์ก็มีเสีย มันเวียนวนอยู่ในวัฏจักรคือหมุนรอบอยู่ตลอดเวลาโมยุทธ์ักเถื่อส่วนปฏิบัติธรรมมันเป็นการยุทธการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเป็นพระอัอพระโสดาบันตายแล้วเกิดเกียติชาติในระยะเกียติชาตินี่ก็บ่ได้ไปนรกเลยอืตายแล้วบม่ได้ไปนรกตายแล้ว ก, กลับไปสวรรค์ลงมาจากสวรรค์ก็ เป็นมนุษย์อยู่สิ้นอายุมนุษย์ก็ตายไปก็ไปสวรรค์อีกวนเวียนนเกียตรติซาตเท่านั้นโบตกนากจ๊กเถือ่อนี่นี่คือความเป็ดจริงที่เราให้ฟังถ้าเฮาปฏิบัตินั้นมันได้รีนั่นหละเฮจังไนมันโกก็ได้ถ้าเาเฮ็ดถือแล้วมันต้องได้โลด มันต้องได้บรรลุรอดบรรลุเป็นพระสุตดานมันก็บรรลุได้เป็นพระสกีทาก็บรรลุได้อรหันะนาคาก็บรรลุได้อรหันก็บรรลุได้พราะยัางจูบรรได้เฮ็ดถือตามมรรคแปดเด้มรรคแปดมีอย่างแนนสมาทิทิความเห็นชอบเห็นชอบเห็นที่อย่างล่ะเห็นความเกิดเห็นความแก่เห็นความเจ็บเห็นความตาย เดียกว่าเห็นชอบอันนี้ถ้าเห็นเราคนเกิดแก่เก็บตายเปลี่ยนน้อนะี่ทุกคนเนาะเกิดแก่เก็บแล้วก็ตายก็สิได้บ่ประมาทเด้อไปนี่ขนหูสิในใจแล้วมันแก้งข่าวมันยอมรับเลยใจเฮาก็บบาลลุมารุทำของพระเจ้าโอ้คนเฮามีเกิดแก่เก็บตายเนาะตัวเฮาก็สิตายกันเนาะจากมือใดมือนึง จะใครสิตายก่อนตายหลังแล้วแต่บุญจะกรรมเด้อแต่มีชีวิตอยู่นี่สะเฮ็ดบุญเฮ็ดทานสร้างกองการกุศลบวประมาทละข้อความตายมันมีแน่นอนบวตายด้วยวิธีหนึ่งมันก็ตายด้วยวิธีหนึ่งบวงตายแนวนี้มันก็ตายแนวนั้นตามแต่ต้องเสียละเฮาคอยสังเกตสังเกตเรา ใจเฮานี่ยรู้แจ้งในสิ่งเหล่านี้บอรู้แจ้งในความเกิดความแก่ความเก็บความตายนี้บอความโศกเศร้าเสียใจมูนีเ้เฮาสังเกตเพิ่งบอว่าใจเฮาเปา็นยังไงถ้าเฮาวางได้พอใจเฮามีสมาธิและปัญญาอมก็เกิดก็วางได้ก็ได้บรรลุปเป็นพระโสดาบันแล้ววันนี้นั่นแหละสมาสังกปะอันที่สองคือความดำดีชอบ คนเฮาคิดมีอยู่สามทางนั้นคิดออกจากกลามคิดไม่พยาบาทคิดไม่เบียดเบียนสามอย่างนี้เป็นความคิดของของคนเฮาบ้านท่วไคนเฮาคิดเรื่องกามคิดเรื่องพยาบาทคิดเรื่องเบียดเบียนแต่พระพุทธเจ้าให้เฮาคิดว่าคิดออกจากกลรมเหมนนี่ คิดไม่เบียดเบียนมนคิดไม่พยาบาทนี่นี่เป็นอย่างนี้ส ม, มากว่าจะจิราจาชอบคือพูดถึกพูดถึกต้องตามแนวทำคำสอนของพระพุทธเจ้า บมพูดคำหยาบบมพูดเพื่อเจอบมพูดเดียวไหลบมพูดหลอกลวงคนอื่นบมพูดซับซอนี่อันนี้เป็นสมาวาจารียกว่ากิรจารอบหรือพูดซอบพูดถูกพูดแมนพูดตามแนวของพระพุทธเจ้าสมากรรมนตการงานสอบ อันที่สีจะมากรรมมันตะการงานสอบการงานสอบก็คือบอผิดลูกผิดเมียคนอื่นบอลักคลองเขาบอฆ่าสัตว์นี่แหละการงานเขาก็เป็นการงานสอบแต่เขาฆ่าสัตว์อยู่ฆ่าคนอยู่ฆ่างอฆ่าควายอยู่อันนี้เขาเหตุบวชอบเลยนะั่น การงานเท่าบอชอบถ้าเทาบอเฮ็ดมันก็เป็นการงานชอบคือบอค่าสัตว์บอลักทรัพย์บอเปรือกพืผิดลูกเมียคนอื่นอันที่หาคือสมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบอันนี้หาอยู่หากินตามทนองรองทม หาได้ตามความเกิดความเปลี่ยนของมันเอาเว้นจากการค้าขายคดโกงหลอกลวงต้มตุน๋นอื่นบหากินผิดศีลผิดธรรมมาส่อนตัวไปนั่นี่ละสัมมากัมมันสัมมาวายามะพยายามชอบพยายามละความซัวพยายามทำความดี พยายามทำคิดให้พองใสอันนี้แหละเป็นความพยายามชอบสมัคสติตั้งสติชอบคือมีสติอยู่ในกายในเวทนาในจิตในธรรมคือตั้งสติถูกต้องนั่นเองอันพูดว่ามีสติก็คือคนกิตเล่าเมาเบีย คนกินเหล้าเมาเบียแล้วไปขับรถนี่ก็รถชนคนรถรถชนคนก็ชนเสาหัวเสาหฮาหวคนอื่นไปเป็นเรงสรั้นผมมีสติเลยกินเหล้าแล้วสมาสตินี่ตั้งสติชอบตั้งสติอยู่ในกายเดินเฮาก็หูจกักนั่งเฮาก็หูจักตัวเองหูศึกตัวอยู่ตลอด รูสึกว่าเขาคิดผิดคิดถูกหูวัดนี่จ้งอยู่ในกายในเวทนาในกิดในธรรมเห็นว่าตั้งสติชอบตั้งสมาธิมั่นชอบคือตั้งใจหัดสมาธิให้มันเป็นอืนนี่หัดสมาธิให้มันเป็นสมาธิขึ้นมาอันนี้เป็นแนวทางของการปฏิบัติเพื่อให้พ้นจากทุกข์กันเดี๋ยว ชั้นที่หนึ่งสองสามสี่เอาปฏิบัติไปตั้งก่ปฏิบัติไปคอยกระหนุดลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่เรื่อยๆนี่เรียกาการหัดพันรวมไว้ว่าปัญญาศีล ส, สมาธิมสมาธิมีอยู่สามสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิสามอันนี้เรียกว่าสมาธิชอบอ นี่แหละทเท้าตั้งใจเหตุความดีจองซี่มีแต่ความดีท่านที่เกิดขึ้นแกเฮาคุณแม่ปานีนามสกุลบุพภาไปเยี่ยมัตมาที่วัดป่าดอนหายโชคก็เลยคุยกันถูกคอถูกใจ ส่วนอาตมามาเที่ยวเมืองหลวงขาบางบ้านเก่าเมืองเดิมของพวกเขาเอามาเกิดอยู่พี่มาแก่อยู่พี่มาเก็บมาตายอยู่พี่อาชีวะหลายชาติอยู่แต่เขาจำมาได้มันลืมไปวัดตายแล้วก็ลืมแล้วเท่เามาเกิดที่นี่หลายชาติอยู่ที่คือนั่นแหละ มาแล้วเห็นพี่เห็นน้องก็ดีใจได้มาคราวนี้นะ่ะย้อนคุณแม่ป่านีนั่นแหละกรบลูกมีคุณแม่ป่านีไปก็บอกว่าได้มาเห็นพี่ดอกอันีอยู่ภายอยู่มันไปตามเรื่องแ่ะอันนี้ละ่ะให้เอาปฏิบัติตามมากแปดเดอ้อเฮ็ดจงซี่ละ่ะคือปฏิบัติตามมากแปดแล้วนี่เอาทําอยู่เนี่ย คอยกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกอย่างนี้แ่ะอยู่เรื่อยๆนี่แหละเฮาโชคดีที่สุดเฮาได้เกิดมาเป็นมนุษย์เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็มาเห็นคำสอนของพระพุทธเจ้ายัางเดือยอยู่แล้วเฮาก็ปฏิบัติถือต้องอยู่ความสำเร็จมาคนนิพพานมันก็ต้องมีมันมีแก่พวกเขานี่แหละ หาผู้เฮนันแล้วเป็นผู้ได้หาผูเฮตัาก็ผ่้ได้ทําแทนกันบ่ได้พ่อแม่ลูกทําแทนกันบ่ได้ใครทำผู้นั้นจึงได้ได้แล้วก็มีความสุขความสบายเยอกหย็นสบายอยู่ในหัวใจนี่แหละเฮตันได้ก็สบายสบายอยู่สั้นจิตใจนี่สบายหลาย เป็นอย่างมันค่อยสบายกับพราะมันบอมีกิเลสมอบุนบาวายเลยอยู่ในบ้านมีครอบครัวผัวเมีอยอยู่ก็จริงแต่เฮาทาํากิจของเฮาให้สงบมันบม่ได้ขัดข้องกันอมันบม่ได้ขัดข้องนําลูกลำเมียดอกมีลูกมีเมียก็ไปตามเรื่องของโลกของสศงสานฮะละแต่ว่าเฮาตั้งแก่ปฏิบัติกิจเฮาก็สะกบเป็นธมามทีเด มีมากมีผลขึ้นมาได้นางวิสาขามหาอุปสิกาเห็นว่านั่ น, นก็ได้อุปถาขราพุทธเจ้าได้สาเร็จเป็นพระโสดาบัน ต, ตั้งแต่เป็นเด็กน้อยอายุเจ็ดขวบนะตั้งแต่อายุเจ็ดขวบนางวิสาขานั้นได้บรรลุเป็นพระโสดาบันอนาถวิตริกาครอบครองทรัพย์สมบัติมากมาย ก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระโชราบันเป็นพระจักิีทาคาเป็นพระนาคาคือกันนี่แหละมันบอขัดข้องเป็นอยู่ในครอบครัวผัวเมียก็สร้างกันเฮ็ดแล้วก็ได้คือกันพ่อของคุณเจ้าเพื่นก็มีครอบครัวคือกันก็ได้สำเร็จเป็นพระลรหันก่อนจะตายก่อนจะเสด็จสวรรคตคือตายเนะ ก็ได้สำเร็จเป็นพ า, าราหันแม่ของพุทธเจ้าอยู่สวรร์สั้น ด, ดุสิตาลงมาฟังธรรมของพุทธเจ้าอยู่สั้นดาวดึงก็ได้สำเร็จเป็นพระโซดาวันพราธเป็นปาถนาเป็นแม่ของพุทธเจ้าห้าพระองค์พระกุสันโธเพื่อนกับเป็นแม่พระโกนาคมโนเพื่อนกัเป็นแม่ พ, พระกัจรโภเพิ่นเกิดเป็นแม่พระโคตมโมนี่ก็แม่เป็นแม่คือกันยังสิเป็นแม่ของพุทธเจ้าทรงพนามว่ากตอาสีอรเลียเมตไตรโยโ ย, ยนี่แหละที่ได้เกิดเป็นแม่ของพุทธเจ้าอีกเพราะฉะนั้นเพิ่นจึงได้บรรลุเพียงโสดาบันเท่านั้นเพิ่นเกิดมาเพิ่งยังจะมีครอบครัวอยู่ ได้เป็นแม่ของพุทเเจ้าองค์นั้นแล้วจึงจะนิพพานสร้างบา ร, รมีเป็นแม่ของพุทธเจ้าอูคนั้นนะ่ะนางสิริมหามายาณนะ่ะนี่แหละเฮาเกิดมาบุญเฮาลายจึงได้พบพระพุทธศาสนาจึงได้พบแนวทางปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระ อ, องค์สอนไว้ ถือต้องเมื่อถูกอย่างเลยแต่เา้าเรูปวัสดกรูปพอสอนกันได้บอกกันได้ตอนนี้แหละรูปวัสดนั้นสมองนี่มันจะแตกคุณนหรอคือพระไตรปิกตักร้อยเล่มบนนะ่ะธรามาใส่เวลาว่าสิบปีอ่านให้จบเสด็โว่าสิบปีบจบเลยเอาตอนนี้ล่ะเอาแนวสมาธินี่แหละ มันแนวตกแนวลาดดีมันอยู่ใกล้ความสำเร็จอันเราตั้งใจปฏิบัติควบคุมใจห้อหายลมหายใจเขา้าหายหา ใ, จาหาใจออกอยู่บเบาๆอันนี้เขาศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าแสดงทำไว้ทำก็ยังมีอยู่เขามีโชคได้ปฏิบัติตามคำสอนของพุธเจ้านี่ก็เป็นความประเสริฐเป็นความดีของเรา เอาตั้งใจปฏิบัติตั้งใจปฏิบัติไปเรื่อยๆว่าไม่ว่าเหตอยู่ในวัดนี้แล้วก็แล้วไปเลยกลับไปก็ลองหัดเบิง้งนั่งอยู่ซื่อๆก็ลองเบื้องลมหายใจของเฮาดูขววั้นเอาหตุลมหายใจเฮาอยู่ก็แปลว่าเฮาปฏิบททัติถูกต้องอยู่ขัน้นผู้ใดกำหนดอยู่เรื่อยๆได้กำหนดไปเรื่อยๆเบื้องลมหายใจไปเรื่อยๆใจผู้นั้นก็นสิสงออกเป็นสมาธิมีมากมีผลขึ้นมา กสิเห็เนโอะโโลกนี้เป็นอนิจจังความบ่เที่ยงเป็นทุกขังความทนดู้่ได้อนาตตาผมมีตัวตวนเนาะนี่ผมมีผู้ใดเอาอย่างในโลกนี้ไปได้สักคนเนาะนี่ใจเหอกจะมีศรัทธาในการให้ทานมีศรัทธาในการรักษาศีลศรัทธายิ่งใหญ่ในการปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาอันนี้เราคือทางพ้นทุกข์คดของเขาแล้วนี่เอาเหตุโลดอย่าซ่อนอย่าท่ออย่าถอย ขอให้ตั้งใจรถขอให้เดตุซีลละไปซูมือซุบันข อ, อนอนเอาเัดซะจากสิบนาทีสามสิบนาทีเสร็จแล้วก็นอนตื่นขึ้นมาพอมีเวลาเหตุได้ก็เฮ็ุบ่มีเวลาก็เหตเหมอเข้าหมอแกงไปก็ตั้งใจเหดไปเห็ดดูเฮ็ดกินไปมีเวลาว่างเอาก็เข้าสมาธิเบิ้งกำหนดลมเบิ้ง แต่เฮากส็สงบเป็นสมาธิอันนี้แหละคือทางฝึกสมาธิให้เข้าถึงธรรมกงของพระพุทธเจ้าเด้อเฮามีศรัทธาเฮาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคำสอนของพระพุทธเจ้าไปว่าเฮาเข้าถึงธรรมกรของพระพุทธเจ้าตามลำดับจนพ้นจากทุกทั้งปวงในโลกนี้แหละสาธุเพียงเท่านี้เด้อ